ตั้งธรรมทุกคนอย่าไปคิดเรื่องอื่นตั้งใจไว้กับตัวเองการคิดไปเรื่องอื่นพวกเราท่านเคยคิดไปกันตลอดเวลาแต่จิตใจจี่จะสงบและงับดับกิเลสไม่เคยมี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 เป็นคิดกันกับเรื่องของโลกเรื่องของโลกที่เราฟังกันตาที่เห็นหูที่ได้ยินก็เป็นสิ่งที่อ ย, ยู่อายุจิตใจให้เกิดกิเลสตัณหาความหลุ่มหลงเสืเชินต่างๆนานาทําทให้เชิญทาให้ลืมตัวลืมตายแต่การฟังธรรมะขันยนเข้ามาภายใน คือมาพิจารณากายใจของตนเพราะคนผู้พูดธรรมะก็ไม่ใช่ว่าเป็นผู้วิเศษวิโสไม่มีอะไรที่จะผิแตกแตกต่างไปจากพวกผู้ฟังพระพุทธเจ้าที่นำทรมามาสอนโลกท่านก็สอนจากกายจากใจที่ทันเคยรประพฤติปฏิบัติที่นี้พิจารณามาสไมไัยปัจจุบันทุกวันนี้ พอทานองเดียวกันพูดพอพูดถึงเรื่องกายใจพูดฟังกอเอากายใจเป็นเครื่องฟังถึงธรรมะนั้นจะพูดบ่อยคลั้งเท่าไรก็ไม่มีการผิดการเสียหายอย่าไปคิดว่าอันนี้เราเคยสะดับรับฟังมาแล้วอันนี้เรารู้แล้วเราพอใจแล้วแต่กิเลสข อ, องเรายังมีจำเป็นจะต้องฟังจำเป็นจะต้อง ที่นี้ที่เจรินาจำเป็นจะต้องรักษาความดีของเราไว้ความชั่วที่นี่อยู่ก็กำจัดออกไปเหมือนกันกับเราทานอาหารถึงข้าวปลาอาหารเราเคยทานอยู่ทานกลงไปทานลงไปในปากในท้องของเก่าแต่เราก็ไม่เบื่อหน่ายหิวมาเมื่ อ, อไรก็บทานลงไปการที่จจริญนาจิตใจแก่ชิลิ่กบทำนองเดียวกัน พิจรารณาพิกายที่จิตของตัวเพราะจิตมันหลงจิตมันคล้องจึงต้องพิจิตนี้พิจรารณาจิตรู้จิตเข้าใจการพิจรารณาธรรมพิจารณากายพิจารณาใจก็เป็นวิหารธรรมเป็นเึ่งอยู่ของผู้ใหญ่เป็นซึ่งอยู่ของผู้มีธรรมพระพุทธเจ้าถึงแม้จะหมดกิเลสตัณหาแตนก็ยังทรงธรรมอยู่พิจารณาอยู่ รธรรมะยังมีการเข่าสมาธิสมาบัติกันอยู่แต่ไม่เขาเ่เออเเาเพื่อละเพื่อถอนเพื่อแก้กิเลสตัณหาเพราะจิตของท่านหลุดห่วงไปแล้วเข่าเป็นวิหารธรรมเป็นที่อยู่ที่อาศัยเป็นที่สบายพระไทยของพระองค์พวกเราท่านการกำหนดธรรมะการฝึกจิตอรมใจก็ฝึกเพื่อแก้ไขกิเลสตัณหา เพราะเรายังมีทิ่เลตัณหาอยู่จิ่งต้องฝึกต่องอบรมฝ่องแนสอนตัวเองพอใจเป็นผู้ที่หลุมหลงเมื่อลุมหลงทางแกะไขก่อแกะไขรวยส ต, ติโดยปัญญาที่ีพิเจณาเรื่องต่างๆทีหลุมหลงนั้นให้ลดน้อยถอยลงหรือให้ละถอนจากความหลุมหลงนั้นนั้น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 นี่เป็นการพิจรารณาธรรมะเราจะพิจรารณาเรื่องผมเรื่องขนแระฟันอะไรได้ทั้งนั้นเพื่อแก้จิตใจที่ลุ่มหลงหรือสายแสไปตามอารมณ์สัญญาต่างๆให้หยุดอยู่ในกายของตัว <c oughs> <c oughs> การพิจรารณากายพิจรารณาแยบคลายเท่าไรไม่มีทางผิดใจอันเดียวนั่นแหละหาพิจรารณากาย หญิงชเพื่อความสวยงามพิจารณาไปทางให้กิเลสตัณหาเกิดขึ้นหลุมหลงเพลิดเพลินก็ได้กายของเก่าสารเราพิจารณาให้เป็นอสุภะอสุภังพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เป็นเรื่องแก่กิเลสตัณหาความเพลิดเพลินต่างๆให้ลดถอยไปนี่เป็นเรื่องอุบายสอนใจของตัวควรกําหนด ทนี่พี่จะได้นไม่มีอะไรอื่นที่จะหลงนอกจากจิตจากใจของเราหลงเพราะกายมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันเกิดมาแล้วก่แฉกก่อแตกสลายเรื่องของกายเป็นอยู่อย่างนั้นเราหลงมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเรารู้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นด้วยความไม่เห็นธาตุขันเรื่องของกายตามเป็นจริง เมื่อเสี่ยงที่เราไม่ต้องการเกิดขึ้นมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงหรือเกิดเียบไข่ได้ทุกจิตก็เลยเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะไม่รู้ไม่ถอใจอยากจะให้มันดีมันหายอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่ได้สมปรารถนาใจก็เกิดความเดือดร้อนแผลเผาตัวอีกฉะนั้นเมื่อเราคิดนิพจพยนาอยู่สม่ำเสมอในความแก่ความเก็บความตายของตัวเอง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 กรรมดีกรรมชั่วที่เราสร้างเอาไว้จะเป็นเพื่อนของเราติดตามไปสู่พบน้อยพบใหญ่ตามอํานาจของกรรมที่ตนสร้างเอาไว้กรรมจึงเป็นผู้มีอํานาจเหนือมนุษย์เหนือสัตว์สามารถที่จะนําจิตใจของสัตว์ของบุคคลที่สร้างเอาไว้ให้ไปสู่พบน้อยพบใหญ่สุขและทุกข์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 ไปโลกพระจันทร์โลกพระอังคารไม่เคยเห็นเทวดายิมานที่ไหนสำหรับตําราทางศาสนาอาจจะโกหกพกลมเขาเข้าใจกันไปแบบนั้น <c oughs> คนไม่ค่อยเชื่อศาสนาเพราะไม่ได้ศึกษาถึงเรื่องของกรรมเขาเรียนจากทางแผนกจิทยาศาสตร์เรื่องของศาสนาเรื่องของพชาจริงจัง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 มีการผิดการถูกการดีการชั่วกรรมดีที่เราทําไปผูดไปคิดไปจะทําจิตใจของผูดทำผูกผูดผูกคิดให้มีอํานาจให้มีความสุขให้มีความเย็นใจในปัจจุบันเราก็ทราบได้คนที่สร้างกรรมดีโดยกายวาจาใจคนนั้นจะไม่เป็นชิดเป็นภยัยไปสถานที่ใด สะดวกสบายสง่างามในสถานที่นั้นไม่หลบหลีกปีกตัวเป็นคนกล้าหาญองอาจในสถานที่ทั่วไปเพราะเหตุใดเพราะเขาไม่มีกำชั่วที่สร้างเอาไว้ไปสถานที่ใดก็เมกกลัวคนจะมากับจับคุมคุมตัวเมกลัวคนจะมาดา่ามาว่าต่างๆเพราะ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 ส่างกรรมชั่วเอาไว้กลัวตลอดถึงสัตว์ไม่ว่าแต่มนุษย์ด้วยกันนอนหลับนอนฝันมีเสียงอะไรดังขึ้นก็กลัวเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าของทรัพย์เขาจะตามมาจับกลุ่มตัวนี่ก ร, รมชั่วให้ผลปัจจุบันแถดเขาให้เขาเร่าร้อนไม่มีความสุขความสนุกสบายกรรมชั่ว ในปัจจุบันเราก็พอทราบได้เข้าใจถึงถาคิี่นิพิจรารณาในครั้งหน้ากรรมที่สั่งเอาไว้จึงเป็นเรื่องที่มีอิทธิพลสำคัญสามารถผลักดันสัตว์นั้นนั้นให้ไปเกิดในสถานที่ชั่วที่เสียเพราะกรรมชั่วกรรมดีกว่าผลักดันให้คน น, นั้นนั้นไปเกิดในสถานที่ดีได้จะเชื่อหรือไม่เชื่อ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 จึงจำแนกสัตว์ให้ผิดแปกแตกต่างกันทั้งทั้งที่เป็นมนุษย์ก็ไม่เหมือนกันเป็นสัตว์ก็ไม่เหมือนกันที่อยู่ที่อาศัยแต่หลอดถึงโลกใครใครเจ็บผิดแปลกแต ก, กต่างกันเพราะกรรมที่สร้างมาพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิ่นี่พิจรารณาให้เชื่อกรรมคนเรามีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมที่ทําเอาไว้จะจําแนกจแจกสัตว์ให้ไปเกิดในสถานที่ จิตแปลกแตกต่างกันมีความสุขความทุกข์แปลกกันฉะนั้นทุกท่านที่มีใจยังเกี่ยวข้องอยู่ในวัฏฏะสงสารโดอจิตใจยังไม่พ้นไปจากเรื่องของโลภโกรธหลงเรื่องของกิเลสตัณหาแล้วจะต้องตกอยู่ในอำนาจอิทธิพลของกรรมกรรมจะต้องจาแนกให้สัตว์นันนั้นให้คนนั้นนั้น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 กรรมจะต้องนำตามสนองในเมื่อกายยังมีอยู่รูปประคันยังมีอยู่ผู้ที่เป็นพระอาหารอาหันตอรหันต์อย่างพระโมคคัลลานะหรือพระ <c oughs> อะไรพระยะท่านก็เป็นพระอาหารหันต์แต่กรรมของท่านเก่าก่อนที่สร้างเอาไว้ก็ยังตามสนองให้ท่านได้รับทุกลำบากถูกโจรฆ่าถูก วัผิดตายยังตายหงหงายหาได้พระอรหันต์อาหารหันนี่คือกายยังมีอยู่ตายก็ตายแต่เพียงกายส่วนใจไม่ได้ตายไม่ได้เสียวัวผิดตายตายหงอย่างนั้นท่านก็ไม่เสียใจเพราะเหตุใดเพราะความเสียใจดีใจของผู้ที่หมดกิเลสไม่มี ทุกห้องใจไม่มีท่านจึงอยู่สะดวกสบายจิตแตกแตกต่างกันแต่พวกเราท่านที่ไม่เคยฝึกอบรมไม่เคยทนิติใจานาไม่เคยศึกษาไม่เคยปฏิบัติถึงพูดไปก็ไม่เข้าใจในแงน่นี้แต่ถ้าหากผู้เคยฝึกเคยปฏิบัติเพียงผลของจิตที่สงบระ ง, งับก็จะเข้าใจว่าความ เป็นข้องกายกับข้องใจนั้นเป็นคนละอันละอย่างหากสงบอยู่ทุกระยะทุกเวลามีความสุขวามสบายมากทางศาสนานให้เชื่อกรรมให้หลีกเลี่ยงกรรมที่ชั่วประพฤติกรรมที่ดีเพราะกรรมดีจะมีผลให้สุขแก่ตนผูกประพฤติปฏิบัติเมื่อเราพิพจารณาเรื่องกรรม ให้ถึงใจใจจะเชื่อในเรื่องของกรรมไม่กล้าทำสิ่งที่ชั่วไม่กล้าพูดไม่กล้าคิดเพราะพูดไปแล้วทำไปแล้วคิดไปแล้วมันเป็นทางเดือดร้อนวุ่นวายแฉดเผาตัวเองถึงทำให้คนอื่นสัตว์อื่นตัวเองก็ตตาหนิตัวเองได้เพราะความชั่วอี่ตัว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 คนที่เคยเป็นทานายเรียนกฎหมายมายเก่งๆโกงเขาจินทำั่วเสียต่างๆก็จะไปโกงได้ฉันจะแก้ไ้แน่นั้นมุมนั้นมันแก้ช้ไม่ได้เรื่องของจรรมเป็นเรื่องผูกมัดจำยอมอย่างความเกิดเป็นต้นคนเราชอบเกิดในสถานที่ดีมีความสุข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 มีไว้เป็นมรดกคิดกันถึงเกิดมาแต่ตัวเปล่าเหมือนกันขอตามพอเติบใหญ่ขึ้นมากรรมจะสนับสนุนให้เขาผู้นั้นๆนคิดกันคนที่มีกรรมชั่วจะต้องโง่เขาไม่มีทางที่จะศึกษาเ ร, าเรียนมีวิชาความรู้ ถึงประกอบอาชีพต่างๆก็ชอบถูกแต่สิ่งที่ไม่เหมาะสมโดนแต่เรื่องทุกข์ควรจะล่ำรวยได้สมบัติก็มีสิ่งโดนบันดาลให้คนนั้นนั้นอับจนลงไปได้มีเงินทองเข้าวลองขึ้นมาก็มีโรคภัยเบียดเบียนเข้าเงินทองที่หามาได้ก็ไปเยียวยารักษา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 มีแต่กรรมชั่วเลยเป็นคนอดอยากอยากจนทำการทำงานอะไรก็เกลียดทานไม่เอาถ่านมันปกปิดไปทุกสิ่งทุกอย่างเพราะกรรมชั่วปกปิดเลยเป็นคนอดอยากอยากจนโรคภัยไข้เจ็บก็มักเบียดเบียนบ่อยนี่กรรมชั่วที่เราทำลงไปโดยกายวายาจใจมันให้ผลอย่างนั้น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 ถ้าจันยร์ถ้าอังคารก่อตามก็ไม่สามารถที่จะเห็นปราศาสวิมานเห็นเทวบุตรเทวดาเพราะเหตุว่าตาเนื้อแต่ถ้าผู้มีตาทิดอาจสามารถเห็นได้ว่าเป็นอย่างไรนั่นแล้วก็ไม่ต้องแปลกภาวาวัลอยากจะรู้อยากจะเห็นขอให้ศึกษาพิจารณากำหนดตัวท่องตัวให้จิตสงบจิตระ ง, งับ ดับกิเลสเรื่องจะเห็นจะรู้ต่างๆนั้นมันเป็นไปเองถ้าเรามีอํานาจบาตรศนะขอให้ตั้งหน้าประพึ่งปฏิบัติกรรมดีกายก็ให้ทําดีวาจาก็ให้พูดดีจิตก็ให้คิดดีวันนี้เป็นวันธรรมะสวัสเป็นวันอุโบสถเป็นวันขี่เขามาสงบระงับจิต การงานบ้านช่องต่างๆเราได้ปล่อยวางละทิ้งมาอบรมจิตใจของตนให้สงบระงับพักผ่อนด้านจิตแต่ถ้าหากเราไม่มีสติปัญญาเนียสอนตนไม่มีอุบายที่จะทําตนให้สงบจะเป็นวันอุโบสถวันพระวันโกนอะไรก็าตามอยู่วัดอยู่ว่าเงียบสงัดขนาดไหนก็าตาม ในเรื่องของจิตใจที่ไม่มีสติรักษาไม่มีปัญญาแน่สอนไม่เอาจริงเอาจังในการตั้งวรระ ว, วังตัวเองจิตนั้นจะไม่มีสถานที่ไม่มีเวลาจะสงบระงับฉะนั้นโอกาสเวลาที่เราเสียสละจิตการบ้านเรือนต่างๆมาวัดมาวามาอบรมภาวานา่อยสอนใจของตัว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 อยู่ในคำบริกรรมนั้นต่อไปใจก็จะรวมลงสงบระ ง, งับขาดสัญญาเวทนาสัญญาหมายถึงความหมายเวทนาหมายถึงสุขทุกข์ต่างๆมันดับระ ง, งับถาจิตรวมจริงจังแล้วจิตจะมีความเบาจะมีความสบายมีความสว่างสวัย ถึงเราท่านไหนเคยประสบพบเห็นมาก่อนว่าจิตแบบนี้มันดีมันเด่นมันเลิศมันประเสรีกว่าการรู้การเห็นสิ่งที่เราเคยรู้เคยเห็นด่านวัตถุมากขนาดไหนเมื่อใจใดสัมผัสอาจทำที่เราผากเพียนพยายามปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดในตัวก็จะเชื่อว่าทาคำสอนของพระพุทธเจ้า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 ไปตามลมปาของเขาเพราะเรารู้เราเห็นเราเป็นในใจของเราแต่นั่นการปรพปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกท่านควรสนใจอุติต่องการความสุขความเจริญประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติที่อื่นกาหนดกายกาหนดจิตของตัวนี่แหละระยะที่เรามานั่งฟังธรรมหรือนั่งภาวนากายไม่ได้ไปทาผิดศีลข้อไหน อยู่สงบเงียบวาจาไม่พูดสิ่งที่จะเสียหายเป็นเสนียดจันไลยเป็นไปในทางชั่วเราระงับดับเอาไว้ทุกอย่างตาก็หลับทีนี้พิจารณากำหนดบททำอะไรตั้งใจกำหนดอยู่นั้นจิตเมื่อมันสงบได้ระ ง, งับได้ความสุขความสบายจะเกิดขึ้น เราจะเอาการใดเวลาใดนอกจากที่เรายังมีชีวิตอยู่จะไปอ่านการอ่าเวลาวัานชาติโนดชาตินี้จึงจะทําไม่ได้พเพราะจีเลตันหายังมีอยู่เมื่อไรเราจะต้องสําระแก้ไขใจของเราฟุ่งๆได้รับความทุกอย่างไรเราเคยทราบดีความสงบสุขเป็นอย่างไรเรายังไม่เคยทราบเราต้องทํา ให้เกิดให้เห็นให้เป็นในตัวเราจะทราบรสชาติของการปฏิบัติรสชาติของธรรมะหากไม่เป็นของจริงไม่รู้ไม่เห็นไม่ดีไม่เด่นก็ไม่มีกฎหมายขอนใดบังคับบัญชาให้คนมาศึกษาให้คนมาภาวานาให้คนมาบวชเรียนเช่นอ่านด้วยอำนาจของจริงมีอยู่ ผู้ประพฤติปฏิบัติรู้เห็นเด่นชัดในท่านท่านจริงขยันท่านจริงยอมเสียสละสิ่งต่างๆมาประพฤติปฏิบัติเพราะท่านเห็นชัดในการปฏิบัตินั้นว่าได้รับความสุขความสบายอย่างนั้นอย่างนั้นทั้า ง, งที่ท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแล้วก็กฎหมายไม่ได้บังคับบัญชาว่า พวกนักบวชพวกนักภาวนาจะไปนั่นไปนี่ไม่ได้ไปได้ทำได้เพราะร่างกายของท่านมีมนุษย์มีสิทธิ์อย่างไรผู้ประพฤติปฏิบัติก็มีสิทธิ์เหมือนกันที่จะไปดูได้ฟังได้ทำได้แต่อำนาจจิตใจที่รู้เห็นในอาจในธรรมบังคับท่านเองแน้สอนท่านเองเพราะสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเพลิดเพลินลหลงไหล ท่านไข้คิดที่นีพิจรารณาว่าไม่มีสาระไม่มีประโยชน์เท่ากันกับการฝึกอบรมจริตใจของท่านท่านจึงมีความเชื่อมั่นตั้งใจประพฤติปฏิบัติรอมเสียสละแม้ชีวิตของท่านอุทิศตอพระพุทธศาสนาด้วยจะตั้งหน้าประพฤติปฏิบัติกำจัดปัดเป่าเรื่องความชั่วเสียต่างๆให้ตกออกไปจากกายจากใจของท่าน ชาตนะมีหลักความจริงอยู่อย่างนั้นถ้าหากไม่มีหลักความจริงผู้ใดประพฤติปฏิบัติก็ไม่รู้ไม่เห็นไม่เป็นอะไรให้ใครเล่าจะเชื่อจะเลื่อมใสจะยินดีเต็มใจประพฤติปฏิบัติเพราะทําไปแล้วไม่ได้ผลตอบแทนอะไรนี่ยังมีผลเพราะทําเป็นอากาลิโกไม่มีการมีเวลาเป็นสันทิ่ตีโกผู้ประพฤติปฏิบัติรักษา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 ไม่ได้มีอยู่ที่อื่นการภาวนาก็คือการชำระใจชำระอารมณ์ทําจิตให้นิ่งทําจิตให้พักทําจิตให้มีกำลังหากเราทุกคนสนใจประพฤติปฏิบัติความสุขหรือมรรคผลที่พระพุทธเจ้ากล่าวเอาไว้ มีตำหลับตําราเป็นภ ย, ยานก็จะไม่เป็นโมฆะสําหรับเราดังนั้นขอทุกท่านจงนําไปฝึกฝนอบรมและปฏิบัติจะเป็นโมฆะหรือไม่โมฆะก็อยู่ที่ตัวของเราเองมักผลเป็นโมฆะก็เพราะเราไม่ต่างหน้าต่างตาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นถึงพระพุทธเจ้ายังอยู่กูที่ไม่รู้ ไม่เข้าใจไม่ฝึกไม่อบรมตัวมักผลกออยากเป็นโมคะสำหรับเขาคนนั้นพระพุทธเจ้าพรินิพานไปแล้วผู้ประพฤติปฏิบตัติตามอัตธรรมจรงิงจังท่านก็ไม่มีทางสงสัยท่านไม่เป็นโมคะเกิดมามีสาระพอได้ศึกษาพ่อได้ที่นิพิจรารณาอัตธรรมได้ปฏิบัติอัตธรรมท่านไม่เสียใจ ในการเกิดการตายของท่านฉะนั้นเราทุกคนเมื่อมีการสนใจขอให้พากันเผพื่ปฏิบัติอย่าไปเชื่อเรื่องกิเลสตัณหาหย่วยุควนปั่นอาศัยอัรรมที่เราได้สะดับรับฟังฝึกอบรมใจของตัวใจที่เคย แส้สายานองต่างๆจะเข้ามาสงบเมื่อใจสงบความสุขก็เกิดขึ้นนี่เป็นพื้นฐานที่อยากให้เราเชื่อเราเลื่อมใสเต็มใจประเพื่อปฏิบัติขอทุกคนจงนำไปที่นี้พิจารณาการอธิบายธรรมะกขเห็นว่าพอสมควรเสิเวลาขออยู่จิเพียงแต่นี้